ความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีไม่มีอะไรที่จะสุขหรือทุกข์ยิ่งกว่าใจความศสกกะปกก็ดีความสะอาดก็ดีไม่มีอะไรจะสกกระปอกและสะอาดยิ่งกว่าจิตใจความโง่ก็ดีความฉลาดก็ดี ก็คือใจท่านสอนเลยว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสดฐามนโนมายาทุกทั้งหลายสงคัญอยู่ที่ใจสำสเร็จแล้วด้ยวดยวใจนะศา ส, สนาก็สอนลงที่ใจศา ส, สนาสออกก็ออกจากใจ รู้ก็รู้ที่ใจพระพุทธเจ้ารู้รู้ที่ใจนําออกจากใจนี้ไปสอนโลกก็สอนลงที่ใจของสร์โลกไม่ได้สอนลงที่อื่นใดทั้งหมดในโลกธานนี้กค่กว้างแค่ขนาดใดไม่สําคัญมีจุดหมายลงที่ใจแห่งเดียวใจที่ควรกับธรรมะอยู่แล้ว ก็เข้าถึงกันได้โดยลําหนบที่ทันว่ามิวปณิสัยนั้นหมายถึงมาผูดควรอยู่แล้วเห็นได้อย่างชัดเจนผู้มีปณิสัยสูงต่างําต่างกันอย่างไรพระองค์ท่านทราบด้วยจนมิวปณิสัยสามารถทุจรบรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมควรจะเสด็จไปโปรดก่อนใครเพราะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตอันตรายที่จะมาถึงในการข้างนานก็ดีเสด็จไปโปรดคนนั้นก่อน คือธนราบบาบาเบวิโลการนังทรงเลญญานดูสัตวโลกผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาข่ายคือพยานของพระ อ, องค์คำว่าเลญญานดูสัตวโลกนั้นท่านก็เรญ ย, ยานดูจิตใจนั่นเองแต่มันอีนเลญ ย, ยานดูต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นวัตถุอันใหญ่โตมากมายิ่งกว่า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 ไม่ทราบทางแก้ไขวิธีแก้ไขพระองค์ก็สอน<ม>ไต่ใช้ว่าสินที่นํามาสอนนั้นไม่มีอยู่กับใจของจัตโลกมีอยู่ด้วยกันเป็นแต่เพียงว่าทางนั้นยังไม่ทราบถูกปิดบังหุ้มห่ออยู่ด้วยสิ่งสุกโปรกทั้งหลายดังที่กล่าวและทั้งตนไม่มีอะไรที่จะสุกปรกยิ่งกว่าใจสุกโปรกไม่มีวันสะอาดเลย ร่างกายเราสกรปรกยังมีวันชะวันล้างอาบเสื้อผ้าขังเกงสถานที่สกรปรกยังมีวันําระซักฟอกเช็ดถูล้างให้สะอาดสะ้านแต่ได้เป็นการเป็นการเป็นเวลาแต่จิตใจที่สกรปรกด้วยความไม่สนใจกับด้วยเจ้าของไม่สนใจนั่นนะั้นสกรปรกมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วสกรปรกไปตลอดกาลจงกระทั่งตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายพบนี้ถึงพบนั้น พบไหนก็พบไหนก็มีตั้งแต่เรื่องโสกโปรกพาให้เป็นไปพาให้เกิดให้ตายเรื่อยๆไปอย่างนั้นหาเวลาสะอาดไม่ได้นั่นทำเดียวโสกโปก่งสิ่งที่โสกโปรกมันจะพาไปดีได้ไงอยู่ก็อยู่กับความโสกโปรกไม่ใช่ของดีผลแห่งความโสกโปรกก็คือความทุกข์ความลำบากคติที่ไปก็ลาบากสถานที่อยู่ก็ลำบากกำเนิดที่เกิดก็ลาบาก มีแต่ของลำบากลำบากหมดเพรความโสโปรกของใจจึงไม่ใช่เป็นของดีควรจะเห็นโทษของใจที่สโปรกไม่มีสิ่งใดที่จะสน่าเสียดสียนมากขึ้นกว่าใจที่โสโคร ก, กอย่างอื่นโสโปรกไม่ค่อยได้มีครูมีอะไรสอนกันส่วนจิตใจโสโปรกนี้ต้องหาผู้สำคัญมาสอนเพื่จะสอนได้ใครจะมาสอนเรื่องการซักฟอกจิตใจที่โสโปรก ให้สะอาดสะอ้านไปด้ น, นอกจากธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ทรงรู้สรงเห็นและทรงสลับเป็นสลับตายในการบําเพ็ญเพื่อจะรู้ทั้งของพระองค์เองตลอดทึกวิธีแก้ไขแล้วก็นํามาสั่งสอนโลกให้ถูกต้องตามวิธีที่ทรงบําเพ็ญและได้เห็นผลนั้นมาแล้วยิ่งต้องมีครูมีอาจารย์สอนอย่างนี้ความทุกข์ มันก็เป็นผลออกมาจากที่สกปรกนั่นเองออกมาจากความโง่งโง่ต่อตัวเองนะโง่ต่อสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆตัวเองโง่อยู่แล้วสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมันก็ไม่ทราบว่าอะไรผิดอะไรถูกแม้มาชอบใจก็ต้องได้ยึดต้องได้ฟ้าคนเราจึงต้องมีทุกทั้ ง, ท, ง, ท, งที่ไม่ต้องการกันเลยแต่ทําไมจึงต้องเจอกันอยู่ทุกแห่งทุกฝนทุกเวลาเวลาเอรว่าไม่สามารถที่จะหลบหลีกตัวได้ได้วยอุบายต่างๆแห่ง ความฉลาดทั้งปดนั่นแหละจึงต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเวลาได้รับการซักพ้อกอยู่ด้วยความดีทั้งหลายเป็นลําดับลําดับมาทานก็เป็นการซัพพ้อกิเลสประเภทหนึ่งศีลก็เป็นการซักพ้อกิเลสประเภทหนึ่งนะภาวนาก็เป็นการซักพ้อก <c oughs> ิเลสประเภทต่างๆรวบตัวเข้ามาอยู่ในองค์ภาวนา หมีเรื่องนี้ตั้งแต่เป็นน้ําพระอาทิตย์ซากฟอกสิ่งโสโครกที่รบกวงดังอยู่ภายในใจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายวิธีต่างๆพระพุทธเจ้าจึงเนี่ยสอนกันมาเป็นลําดับลำดับลำดาองนี้เนีผ่านไปแล้วงนั่งมาจราัสรุ้ตรัสรู้ก็ตรสรู้ในธรรมอันเดียวกันความจริงอันเดียวกันเพื่อจะแก้ที่เหลือทันาสว่ของสัตว์โลกอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นโอวาทจึงเป็นเหมือนเหมือนกันหมด เรานะว่ามีวาสนาได้เป็นผูคลาต่อศีลต่อธรรมซึ่งเป็นน้ําที่สะอาดที่สุดสำหรับชะล้างสิ่งที่โสปโปรกซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนเองคนที่ไม่มีความสนใจกับธรรมและไม่เชื่อธรรมไม่เชื่อศาสนาเหล่านี้มีจํานวนมากมายก่ายกองเราไม่ได้ข้ขอกับคนประเภทนั้นแม้จะมีจํานวนน้อยก็คือเราคนหนึ่งมีส่วนอยู่ด้วย สำหรับผู้รักใคร่ต่อตอตัตตธรรมมีความเชี่อความสงสายต่อคําสอนของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้เห็นนะว่าเป็นผู้มีวาสนานี่แหละ ว, วาสนาของเราคืออันนี้เองเป็นพื้นฐานที่จะให้เราได้บําเพ็ญความดีสูบเนื่องมาเป็นลําดับเป็นความเจริญรุ่งเรืองจิตใจก็จะเด่นมีความสะอาดสะอ้านขึ้นจิตใจมีความสะอาดขึ้นโดยลําดับความสุขก็ปรากฏเป็นเงาตามตัวขึ้นมาแล้วความเพลินอันใด จะเหมือนกับความเพลินของใจที่รื่นเดินไปด้วยอัดด้วยทำมีความรักไข่ฝ่ายใจในธรรมการเพืปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความอุตสาห์พยายามผลก็ปรากฏขึ้นมาให้เป็นความสงบร่มเย็นเป็นความเพลินอยพาา่ายใจิตใจทันทีว่ารถอะไรก็สู้รถแทนทำไม่ได้เนี่ยรถนั่งทำทำหน้าเพิ่มลทั้งหลายคือรถอันนี้ไม่มีจืดมีจางไม่มีเบือ่อไม่มีชินมีชาเป็น ลถ ด, ด้วย่เป็นความสุขวิวเป็นความนื่นเรงที่ดูดดื่มไปโดยลำหนักลาดาแม้ที่สุดจนถึงขั้นติดมิมุตพรนิพพานไปแล้วยิ่งความสุขนั้นยิ่งมีความสม่ําเสมอตัวคือคงที่คงเส้นคงวาตายตัวนะตการพยายามจะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับความพอใจเราพอใจแล้วงานอะไรมันทาได้ทั้งนั้น สำคัญที่ความพอใจเล็งดูเหตุดูผลดูผลเข้ากันได้แล้วมันความพอใจขังมาเองถึงไม่มาก็บังคับได้เราเราบังคับเราบังคับคนอื่นนังยากยิ่งกว่าเอาวังคับเราเร า, เราอยู่กับตัวของเราเองจะบังคับให้ทําอย่างไรก็ได้อา้าวนั่งภาวนาหน้าน ว, วันนี้นก่อนนั่งเนี่ยอาเดินจงกรมก็ได้อา้าวทาบุญให้ทานเอารักษาศีลด้ทั้งนั้น เราเป็นเจ้าของเราเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาจิตใจ้าเราไม่สามารถที่จะบังคับดับซะก่อนอของทับเทียวท่านมาแล้วเราเป็นเจ้าของของทุกส่วนภายในร่างกายและจิตใจอาการเคลื่อนไหวทั้งภายนอกภายในเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นเจ้าของเราเป็นผู้ระมัติระวังเราเป็นผู้รักษาเอง ควรหรือไม่ควรอย่างไรเป็นหน้าที่ของเราจะต้องบังคับบัญชาหรือส่งเสริมเราเองในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเราทราบอด้วยดีหากเราไม่สามารถจะปกครองตนได้ในขณะนี้แล้วเราจะเอาความสามารถมาจากไหนในวันหน้าต่อไปเดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าภพหน้าเราต้องทําความเข้าใจไว้กับปัจจุบันนี้ด้วยดีตั้งแต่บัดนี้ปัจจุบันนี้แหละเป็นรากฐานสาคัญที่จะส่งไปถึงอนาคต ถ้มีความจเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนต้องขึ้นไปจากปัจจุบันซึ่งบำเพ็ญอยู่ทุกวันจเจริญอยู่ทุกวันส่งเสริมอยู่ทุกวันบำรุงอยู่ทุกวันจเจริญขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยหลักปัจจุบันอยู่ที่เราเวลาเรื่องบันเดือนปีภพชาติมันเป็นผลถลอยได้ที่จะสืบเนื่องมาเป็นลําดับระดับเช่นเดียวเมื่อวานนี้สืบเนื่องมาถึงวันนี้แล้วก็สืบเนื่องมาถึงวันพรุ่งนี้ส่วนผลที่จะรับดีชั่วมันขึ้นอยู่กับเรา เราเป็นผู้รับผิดชอบจึงต้องพิจารณาเราให้เห็นประจักษ์ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสันทิฏฐิโกประกาศอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันพระองค์ประกาศธรรมสอนโลกก็ประกาศเรื่องสันทิธิโกนี้ด้วยกันทั้งนั้นตลอดมาจนปัจจุบันเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้พึงเห็นภายในตัวเองกาลังเรามีมากน้อยเพียงไรเราก็ทราบ ผลที่ได้รับภาพน้อยเพียงไรก็ทราบอยู่ภายในจิตใจเพราะใจเป็นผู้คอยรับทราบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทําไมจะไม่ทราบบกร่องที่ตรงไหนพยายามเร่งเข้าไปความเร่งอยู่โดยสม่ําเสมอความบกร่องนั่นก่อยสมบูรณ์ขึ้นโดยลําดับจนกระทั่งสมบูรณ์เต็มที่ได้นี่ไม่ใช่สมบูรณ์ด้วยเพราะความทอดถอย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 เราคลอยตามสิ่งเหล่านี้มานานแล้วพยายามทําความฉลาดให้ทันกับเรื่องของตัวเองเนี่ยสําคัญเมื่อทันกับเรื่องตัวเองแล้วจ ะ, จะเรียกวชนะตัวเองดังที่ท่านพูดไว้ในหลักธรรมก็ไม่ผิดนี่ชนะอะไรก็ตามดังที่ท่านพูดไว้ใน <c oughs> ธรรมโยชาสั้งสาเซณ ส, สังกาเมมนุเซชิมเีเอกันจ่าเชมตัตตานังสเสวสังกมามชุดตะโม ก<น>ารชนะคนอื่นคูณด้วยล้านด้วนแล้วแต่เป็นเรื่องก่อเวรทางนั้นน่ะหากินดีที่ไหนมีฟังการชนะเอาคูณด้วยล้านา น, นถึงขนาด น, นั้นยังมีด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องก่อเวรทางนั้นไม่ใช่เป็นของดีเลยมีการชนะตนเพียงผู้เดียวนี่เท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดี่ยชนะตนจะหมายถึงอะไร ก็ชนะสิ่งที่เราเคยแพ้มาอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละเราแพ้อะไรบ้างเราทราบเราเองหนได้หมดนี้กิเลสทั้งหมดไม่ว่าแง่ใดลูกมันเราก็แพ้ล้านมันก็เราก็แพ้เลนมันเราก็แพ้พ่อแม่ของมันเราก็แพ้ปู่ย่าตายายของมันเราก็แพ้เราแพ้ซะทั้งหมดแพ้อย่างหลุดลุ่ยเนี่ยอะไรอะไรของมันแพ้หมด ถ้าสมมติว่ามันมีมูดมีคูดเหมือนอย่างคนเราธรรมดาเนี่ยมูดคูดมันมันเราก็จะแพ้มันอีกแต่นี้มันไม่มีก็มีแต่ขี้โลกจิ้โกรธขี้หลงว่าไปนั่นเลยคำว่ามูดว่าคูดก็ว่าอนนี้เสียเราแพ้มาแล้วทั้งนั้นนี่อความแพ้นี่เป็นของดีเหลืออยู่กับผู้ใดไม่ดีเลยคำ ว, ว่าแพ้นั่งอยู่ก็แพ้นอนอยู่ก็แพ้ยืนอยู่ก็แพ้เดินอยู่ก็แพ้ออหาเวลาชนะไม่มีเลยนี่ศักดิ์ศรีที่ไหน มีความสง่าราศีที่ไหนมีแต่ความแพ้เต็มตัวคนเรามีสาระที่ไหนเออถ้าธรรมดาแบบโลกโลกเขาเราอยากจะไปผูกคอตายนั่นแหละเออแต่นี่มันเรื่องธรรมดามันสุดวิสัยเราชอวนะพูดกันได้เห็นอย่างนี้แหละเออมายกขึ้นมาอย่างนี้มันไม่เห็นโทษนะมนอะมาตีพวกเรานี่แหละพวกนักแพ้นี่แหละเออผูครังนิจัแพ้จิต เราไม่เห็นโทษแห่งความแพ่งเรามังเหรอนี่วิธีปลุกจิตเนี่ยเราหมายถึงวิธีปลุกจิตใจของเราเรายังจะแพ้ไปอย่งตลอดไปอยู่เหร อ, อแพ้แพ้หมดอย่างรุ่นลุ่ยแพ้อย่างราบอยู่นี้เรื่อยๆเหรอเราไม่ต้องการ ช, ชนะบ้างเหรอน่ถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะอสาวกอรหันหัท่านเป็นผู้ชนะพระดย จ, จะเจ้าท่านเป็นผู้ชนะไปะโดยลาดับๆสถานะของเราทั้งสาม พุทธังธรังสนาง ส, สนางกระฉามล้วนแล้วตั้งแต่ชัยชนะทั้งนั้นที่เรานึกน้อมถึงท่านตัวเราแพ้อย่างราบอย่างราบตลอดเวลาสมควรแล้วเหลือจะเป็นลูกศิธฐาคตห น, ะนะักหนักไหวนี้ mm hmm. นี่วิธีปลุ ก, กจิตจะของปลุกอย่างนี้จิตมันเป็นสิ่งที่ส่งเสริมได้กดขี่บังคับได้เหยียบย่าทำลายลงไปก็ได้ส่งเสริมก็ได้ สำคัญที่เราเองเป็นผู้หาอุบายศิดในแง่ต่างๆที่จะปลุกจิปลุกจ้างเราให้เกิดความอาจหาร่าเริงต่อสู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะเอาชัยชนะขึ้นมาสู่ตนด้วยอุบายต่างๆดังที่กล่าวมานี้นี่หละเป็นทางเดินของพระโพธเจ้าเป็นทางเดินของผู้จะก้าเข้าสู่ชัยชนะชนะไปวันละเล็กละน้อยเรื่อยๆไปผลสุดท้ายก็ชนะจนไม่มีอะไรเหลือเลย นั่งอยู่กับชนะคุนอนอยู่ชนะอยู่ียาบทใดชนะหมดไม่ว่าแต่ลูกแต่หลานกิเลสปูย่าต่อะไรแต่ลานกิเลสก็ชนะหมดเนี่ยทั้งสามโลกธาตุขึ้นทือว่าสมมติซึ่งเคยผูกพันจิตใจอันเป็นตัวกิเลสให้เราแพ้มาโดยลาดับชนะหมดไม่มีอะไรเหลือเลยปัญญาเนี่ยสําคัญมากสติกับปัญญาเป็นธรรมอันสําคัญอย่างยิ่งสมาสติสัมมาสังโปะเป็นตนนั่น พาเอาให้ได้ใช้กันนะสิ่งที่มันแม่ล้อมเราอยู่ตลอดเวลาค่อยตบคอยคอยตกคอยตีเราอยู่ตลอดเวลาคืออะไรเอาพี่ารณามันมีที่ไหนเนียผมมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เท่า น, านั้นัวสำคัญจริงจริงมีอยู่ตรงนี้ตาหูจมูกริ้งกายมันก็เป็นทางเดินเข้ามา อย่างอารมณ์ต่างๆแล้วก็เข้ามาหาพวกสัญญาอารมณ์เนี่ยซึ่งเป็นกองขันเองเนี่ยสุดท้ายกับกองขันเนี่ยลบกับเราหรือมันไม่ได้ลบกัไมายศาบคือราบอยู่แล้วมกายศาสตร์จะไมันลบอะไรนอนทับถ่ายลาดไประเรินก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเพราะยอมอย่างรับขามแล้วนี่ทีนี้เราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นนี่เราแก้แก้ตัวของเราเราจะให้เป็นเท่าที่เป็นมาแล้วเวลานี้เราได้ศาสตร์อาวุธ คืออัตธรรมสติปัญญาเราจะต่อสู้พิจารณาเอาให้ในชัยชนะภายในตัวของเราไม่เอากับชนะกับผู้ใดแหละเอากับผู้ใดจะเป็นเรื่องก่อเวรกับผู้นั้นเอากับสัตว์ตัวใดก็เป็นเรื่องก่อเวรกับสัตว์ตัวนั้นขึ้นชื่อว่าอื่นนอกประจากตัวแล้วมีแต่เรื่องก่อกรรมก่อเวรไม่เป็นของดีเลยสิ่งที่เลิอดประเรสริฐ ก, ก็คือเอกังจะาชัยมัตตานังสเวสวะสร่างามัญชุตตมม การชนะเราเรื่องของเรื่อนี้เท่านั้นเป็นเรื่องประเสริฐสุดในโลกพระพุทธเจ้า ก, ก่อชนะแบบนี้สาวกอารหันอรหันท่านชนะแบบนี้ท่านเป็นผู้แม่ก่อกรรมก่อเวรนอกจากนั้นจัดโลกยังได้อาศัยท่านโดยลําดับมาจนกระทั่งบัดนี้นี่ท่านออกชนะตรงนี้เอาพิจารณามันเคยหลงอะไรอ ย, อยู่เวลานี้พิจารณาให้มันเห็นชาติชิงดาวนี้ไม่ปิดบางลี้ลับนี่อยู่ภายในตัวของเราร่างกายก็ตวนเราอยู่ตลอดเวลา เหตุนั่นปวดนี้ความสลายความแปรสภาพแปรที่ตรงไหนสะเทือนที่ตรงนั้นนะแปรบรรทัดลายก็สะเทือนมากขึ้นมากขึ้นเวทนากับความแปรสภาพมันเป็นคู่เคียงกันอะไรี่ปริตผิดไปนิดหนึ่งเวทนาจะเตือนบอกขึ้นมาเรื่อยๆ เ, เตือนบอกสติปัญญาของผู้ปฏิบัติของผู้ตั้งใจจะส่งเสริมสติปัญญาให้มีกําลังเพื่อรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้แลสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือนธรรมเทศนาอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่จําเป็นจะต้อง แภาพตั้งึ้นธรรมาะนาโมตัสสาวะพุทธโตัวสิ่งนั้นนี่เป็นธรรมมัทเทศนาสอนเราอยู่ตลอดเวลาอา้าวทุกเกิดขึ้นที่ตรงไหนตั้งธรรมะที่ตรงนั้นวินิจฉัยกันพุทธาวิสัชนากันลงไปเนี่ยเทศสองธรรมะ <c oughs> ระหว่างขันธ์กับจิต <c oughs> ขันธ์ใดก็ตาม <c oughs> รูปประขันธ์ <c oughs> เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ทังขานขันธ์วิญญาณขันธ์เนี่ยพุทาชาวิสัชนากันให้เข้าใจ ชัดเจนตามสิ่งแบบนี้ที่มีอยู่ลูกแปรแปรมาเดิมหนับอนี่เรามาอยู่ด้วยกันนี่กี่วันกี่วันนั่นคือล่วงไปแล้วเสียไปแล้วเอายกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์หมอท่านไปกรุงเทพท่านไปวันที่สิบเจ็ดท่านกลับมาวันนี้เป็นวันที่สองกลับมาวันนี้ท่านไม่ได้วันสมบูรณ์มาเหมือนอย่างแต่ก่อนตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดไปถึงวันที่สองไปกี่วันนันล่วงไปเท่านั้นวันนั่น ท่านขาดวันขันมืไปแล้วเอาไปกินแล้วเราอยู่ที่นี่ก็ขาดเช่นเดียวกับท่าน <aument> นี่แหละเราอยู่ด้วยความบกพร่องไปทุกวันทุกวันนะไม่ได้อยู่ด้วยความสมบูรณ์วันนี้ขาดไปวันหน้าขาดไปวันหลังขาดไปขาดไปเรื่อยเราบกพร่องไปเรื่อยเรื่องธาตเรื่องขันนี่เราเรียนอย่างนี้เรียนทำเราไม่อยู่ด้วยความสมบูรณ์อยู่ด้วยความหมดไปทุกวันทุกวันนี้นะแล้วเราจะนอนใจได้ยังไง เมื่อเป็นนักธรรมะที่ปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนแล้วต้องให้เป็นยอดแห่งความรู้ที่จะแก้ไขสิ่งสถานการณ์ซึ่งมีอยู่กับตัวของเหล่านี้ให้รู้ตามเป็นจริงโดยลําดับนี่แหละเราพบกันวันนี้วันหลังมาพบกันบกพร่องมาแล้ววันไหขาดไปเท่านั้นวันขาดไปที่ชั่วโมงผู้อยู่ก็ขาดผู้ไปก็ขาดกลับมาก็ขาดผู้อยู่ประจําที่ก็ขาดต่างคนต่างขาดไม่แต่ต่างคนต่างบกพร่องไปทุกวันทุกวันขาดไปทุกวันทุกวัน แล้วขาดไปไปถึงไหนมันก็ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแห่งความขาดสบั้นเท่านั้นเอง <S <S 2> <S 2> นี่มันต่างกันแต่วัน ม, มืดกับแจ้งที่ล่วงไปวันนั้นวันนี้เท่านั้นอ่ะชา้าเร็วต่างกันมีนิดเดียวเท่านั้นจะต้องไปถึงความขาดสะบั้นเช่นเดียวกันหมดเวลานี้ยังไม่ขาดเป็นปเพียงว่าเตือนเรานาทีเตือนวินาทีเตือนชั่วโมงเตือนหมดไปเท่านั้นวินาทีเท่านี้นาทีเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นวันเตือนอยู่เสมอ เท่านั้นปีเรื่อยเท่านั้นเดือนเท่านั้นปีเรื่อยไปสุดท้ายก็หมดมีเท่าไหร่ก็หมดเพราะมันมันหมดไปทุกวันมันจะเอาอะไรมาเหลื อ, <là. S 1> ล อ, ลอนี่นี่เป็นสติปัญญาหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาสิ่งที่มันเหลืออยู่นั่นแหะที่พอจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เหลืออยู่ถ้าดขั้งเราอันใดที่มันเปลี่ยนแปลงมันค่อยหมดไปแล้วก็หมดหวังอันนั้นเวลานี้ยังอยู่อะไรที่มันยังอยู่ที่พอเราจะได้ทําประโยชน์ทีเวลานี้เอาสิ่งที่ยังกําลัง มีพอที่จะทำประโยชน์อีกเนีย่ยทําประโยชน์สียตั้งแต่บันนี้อจฉีวะกิจจะมาตัดตังโกชัญญามมนังสุเลยความเพียรที่จะทำํำให้เป็นประโยชน์แก่ตนควรทําเสียในวันนี้บัดนี้ใครจะไป ร, ะรู้เรื่องความตายจะมาถึงเมื่อ ไ, รไหรแน่นันว่าไว้งนั้นบอกไม่ให้เราประมาทนะพิจารณารูปมันเหลืออีกเท่าไหร่เวลานี้มันเจ็บก็ยังมีเหลืออยู่บ้างเออมันสลายหรือมันแปลสภาพไปส่วนที่ยังอยู่ก็ยังมีอยู่บ้างพยายามพิจารณาให้ทัน เหตุการณ์ที่ยังเหลืออยู่มันรู้เท่าทันเพื่อปัญญาเวทนาตั้งลงพิจารณาให้มันชัดเจนเรื่องเวทนามีเท่าเวทนาที่มีนั้นแหะไม่เลยจากนั้นผู้รู้รู้ไปหมดมันจะเท่าภูเขานี่ยผู้รู้สามารถจะรู้หนึ่งเวทนาเท่าภูเขาไม่มีอันไดที่จะเหนือผู้รู้ไปได้มันจะใหญ่โตขนาดไหนเรื่องทุกขเวทนาอ่ะมันจะเหนือความรู้นี่ไปไหน ไ, ได้ความรู้จะครอบเวทนานั่นหมดนี่ถ้าความรู้มี สตินะถ้ามีสติก็เลื่อนลอยเหมือนกับว่าวไม่มีเชือกเชือกขาดแล้วแต่มันจะไปทางไหนนี่เราไม่ใช่พู้ว่าเชือกขาดเรามีสติปัญญาพิจนาให้เห็นชาติตามเป็นจริงเ้าเกิดก็เกิดขึ้นมาเรื่องทุกขเวทนาเป็นธรรมเทศนาประกาศสอนเราอยู่แล้วเราเป็นผู้เป็นนักธรรมะเอาฟังด้วยดีด้วยสติด้วยปัญญาให้เห็นชาติตามความจริงของหมัด แล้วแยกตัวออกเมื่อได้เข้าใจแล้วจะไม่ยึดไม่ถือกันไม่เป็นกังวลกับเรื่องทุกข์เรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องมิร ญ, ญาณจะปล่อยวางไปด้วยกันโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เหลือคืออะไรคือความบริสุทธิ์ความรอบตัวนี่แหละเป็นสาระเป็นแก่นสารถ้าจะพูดว่าเรานี่แหละเป็นเราแท้โดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เราโดยความเสกความสรรถ้าเป็นความสุขก็ความสุขในหลักธรรมชาติไม่ใช่ความสุขที่จะคอย มีทุกมันแบ่งเอาไปกินแบ่งเอาไปกินเหมือนอย่างวันคืนปีเดือนแบ่งออกจากร่างกายจิตใจขางเราสังขารของเราหนี้ไปกินไม่มีอะไรมาแบ่งนี่ถ้าเราพิจนารณานี้ให้เห็นตามไปกิ น, กนแบบแท้จริงนะอะไรจะแต่ก็แตกก็เรื่องมันแตกมันเคยแจกมาตั้งกี่กับกี่กันแล้วมันทางเดินของคติธรมรมดาเป็นอย่างนี้จะแยกแยกมันเป็นที่ไหนจะไปกัน้นกลางห้ามไม้มันเดินได้อย่างไรอันนี้จังทุกขังรัตตามันไปใ น, นสายเดียวกันเพราะว่าทุก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 ความโสโครกหายไปความโง่หายไปความทุกข์หายไปหายที่ตรงนี้แหละตรงที่แบกทุกแบบความโง่แบบความสโสขครกนี่แหละสิ่งเหล่านี้หายไปหมดเพราะอำนาจแห่งปัญญาอำนาจแห่งสติอำนาจแห่งความเพียรเป็นธรรมชาติที่ช้าล้าไม่มีสิ่งใดเหลือเลยผู้นี้แหละเป็นผู้ไม่หมดไม่สิ้นอะไรจะหมดก็หมดไปตามสมบุริยมร่างกายจะหมดก็หมดไปเนอชีวิตจิตอ่ะ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะแปลสภาพไปไหนแปลไปเถอะเมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นจะเป็นไปตามธรมรมชาของเขาซึ่งเข า, ามีความหมายไม่มีความรู้สึกเขาเลยว่าเขาได้แปลไปมีได้จิตของเราไปรับทราบมาเขาว่าแปลไปถ้ามา ย, ยึดไม่ถือเขาแล้วก็เพียงรับทราบเท่านั้นเราก็ไม่แบกทุกข์กับความยึดถือใดๆทั้งหมดเราก็สุขสบายนี่แหละท่านมาเอกันจะเชิมมัตตาณังตะเวส ร, ร่างงามยุทธโมไม่ก่อกรรมก่อเวรกับผู้ใดทั้งหม ด, ม ด, หมดแม้แต่กับพิเลกก็ไม่ก่อ กิเลสแพ้เรากิเลสไม่มาเกาะก่อเราได้เหมือนอย่างคนแพ้คนเราชนะคนชนะอะไรก็ตามก่อกรรมก่อเวรได้วันยั่งค่ำชนะไปมากอะไรก่อกรรมมาคิดดูคุมด้วยพันนั่นแหะคือความก่อกกรรมก่อเวราคุมด้วยล้านน่ะก่อกรรมก่อเวรด้วยล้านนอันนี้ไม่มีเลยความสบายคือความชนะตนเท่านั้นนี่เป็นจุดสําคัญของผู้ปฏิบัติจะหาศาสนาใด มาสอนพวกเราให้เห็นขนาดนี้รู้ขนาดนี้แล้วจะให้ผูดด้ใดเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ให้เห็นอย่างที่ว่านี้นอกจากเราเท่านั้นจะเป็นผู้ปฏิบัติสําหรับตัวเราเอง ừ, เพราะโง่ก็เราเป็นคนโง่เองจะหาความฉลาดใส่ตนด้วยการแก้ความโง่ออกก็จะเป็นใครถ้าไม่ใช่เราทุกก็เราเป็นคนทุกเองจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความฉลาดให้เป็นความสุขขึ้นมาภารกิตจนี้ทําไมเราจะเปลี่ยนแปลงมาได้นั่นเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นไม่งั้นพระพุทธเจ้าหรือสาวี ทั้งหลายท่านจะเป็นถึงความบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าติธรรมะชาลิ่างสิ่งศักดิ์ไม่ได้ด้วยความสามารถของเราเราก็เป็นผู้หนึ่งในพุทธบริษัทซึ่งเป็นลูกตาหล่กกอของพระพุทธเจ้าถึงจะนี้มากคนก็ขอให้เราเป็นคนหนึ่งเถอะในคนจํานวนน้อยนอยนั้นนะเราเชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนในพุทธบริษัทอันแท้จริงลูกของพระพุทธเจ้าก็คืออย่างนี้เองพระุทธเจ้าเดินยังไงเราเดินแบบจิ์มีครูรู้ยังไงเรารู้แบบจิตมีครูเนี่ยรู้แบบครู นี่ก็โดยลำดับแบบแน่แย่หวัาการที่ดันทำวันนี้นมากสมควรขอขยู่ติดเครื่องไทย